วันนี้เป็นวันที่สิบห้าตุลาพุทธศักราชสองพห้าห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่เดือนสิบอีกวันพระสองวันพระเป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาแล้วเมื่อออกพรรษาวันที่สามสิบและก็วันที่สี่ ตรงกันวันอาทิตย์เป็นวันกระถินของพวกเรานะคณะสัตธธายาติโจมผู้ใดยินเสียงแล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมในงานกระถินวัดป่านาคำน้อยวันที่4เป็นกระถินสามคัคคีทุกหมู่เหล่าเหมือนทุกปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนผู้ใดอยากจะมาร่วมทอดกระถินก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไร เพียงจะประกาศให้กว้างขวางเพราะวัดป่านาคำน้อยของเราไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นวัดสาธารณะของพี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าเพราะนั้นผู้ใดจะมาร่วมกฐินสามัคคีก็มาได้ออกพรรษาวันที่สามสิบไม่กี่วันแล้วก็พร้อมกัน พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังว่าออกพรรษาปวารณาฟันออกพรรษาปวารณาสําหรับพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดปีนี้พระจําพรรษาในวัดปานาคําน้อยของเราทั้งหมด42รูปไม่มีสมมเนนนั่นไม่ออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ทั้ง42รูปก็มีการปรวารณากัน คำว่าประวาราณาคำนี้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมผู้ที่ไม่เคยบวชก็คงจะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องเป็นศัพท์ของพระเป็นศัพท์ของพระ hmm. ประวาราณาไอ้คำว่าบอกกล่าวเพื่อจะให้หมู่พกเพื่อนพระสงฆ์อยู่ด้วยกันตักเตือนกันได้บอกกล่าวให้ตักเตือนกันได้ ในเมื่อเห็นอากับกิริยาทางกายและทางวาจาตลอดถึงแนวความคิดที่เป็นมิจฉาทิธฐิมีความเห็นผิดก็บอกกล่าวตักเตือนได้อันนี้ปวารณาถตาหากว่าเราไม่บอกไม่ปวารณากันถ้าพูดออกไปก็ททำให้ผู้ที่โดนหรือว่าผู้ที่บอกกล่าว ท, ทิ่โดนกล่าวหาหรือว่าโดนกล่าวบอกกล่าวก็ททำให้เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองดูไกลศาสนาของเราตถาคตจะยั่งยืนยาวไปได้ต้องอาศัยการว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมีความคิดของต น, ตนเองแล้วก็ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันไล่ช่างชีดีสร้างสงค์ เรียกว่าไม่มีการบอกกล่าวกันพุทธศาสนาเราตถาคตไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงวางไว้ให้มีการประวารณาประวารณาบอกว่าให้บอกกล่าวกันได้ในเมื่อเห็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบให้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกัน เพราะนั้นจังท่านจึงผูกเป็นคําภาษาบาลีขึ้นมาว่าสร้างคําอวุโสปวารเรมิถ้าเป็นผู้ใหญ่ติเทนวาสุเตนวาปริสร้งกายยวัพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทาของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีและหลังเกียรติทางความนึกคิดที่ว่าเป็นมิจฉาทิตฐิในความเห็นผิดก็ดีผมขอปวารณาต่อสงขอให้สงทั้งหลาย หมูทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวประวรณาพอองค์ที่หนึ่งประวรณาอย่างหลวงพ่อประวรณาจบลงไปองค์ที่สองกับโนั่งคุ่เขา่าประนมมือประวรณาอีกสร้างคำบันเตประวารเเมพอองค์นั้นสวดจบแล้วก็องค์นั้นองค์ที่3ประวรณาอีกองค์ที่สี่ปอรน า, าถึง42องค์ คือให้พูดเีละองค์ระองค์ละองคนะ์กล่าวคําประวัติาตนนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าการอยู่ด้วยกันบางทีตนเองมองไม่เห็นว่าตัวเองทําผิดหรือทําถูกเหมือนกับผงนะ่ะมันเข้าตาถ้ามันเข้าตาตัวเองน่ะทำไมเอาออกไม่ได้มันอยู่ในตาตัวเองแท้มนมองไม่เห็นเหรอมันใกล้เกินไปมันมองไม่เห็นนี่ก็เหมือนกัน เรามองไม่เห็นเพราะว่ า, าบางทีเราทำจนจนเคยชินาการเราพูดจนเคยชิน เ, เราคิดจนเคยชินเราค็มองไม่เห็นแต่ผู้ฟังผู้ดได้ยินผู้ดได้พบได้เห็นนั้นเออท่านอาจารย์ไม่น่าจะพูดอย่างนี้ท่านก็ท่านก็กล่าวอาบอกกล่าวาแต่ว่าการแนะนำหรือวันบอกกล่าวพระที่มีอายุสูงกว่า ในพระวินัยท่านบอกว่าจะไปบอกกล่าวโดยตรงต้องมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงในการว่ากล่าวเหมือนกับเรากล่าวผู้ใหญ่นั่นการกล่าวผู้ใหญ่กล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วกล่าวท่านในอำเภอแล้วกล่าวผู้กํากับแล้วกล่าวผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือกล่าวผัวหน้าวัดหรือกล่าวพ่อให้พ่อแม่ของเราอย่างนี้เราจะไปก็โชคไปชาักบอกกล่าวไปเลยอันนั้นไม่ถูกเราต้องมีชั้นเชิงอย่างที่กล่าว บอกกล่าวครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าเออท่านอาจารย์ครับเอ้ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่าน้อมันไม่ใช่มันผิดแล้วกับผมถ้าพูดเพียงแค่ไหนท่านก็รู้แล้วความหมายเพราะนั้นท่านก็จะได้กลับตัวเออใช่ผมพูดที่ผมพูดไปอย่างนั้นเพราะความหมายเป็นอย่างนั้นนะอผมตั้งใจพูดอย่างนั้นเพราะความหมายตรงนั้นท่านก็จะได้ชี้แจงถ้าเท่าเออใช่ผมพูดผิดไปแล้วจุดนั้นเอ่อันนี้ก็ ผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับไม่เหมือนผู้น้อยแต่ผู้น้อยเนี่ยผู้ใหญ่พูดให้ผู้น้อยเนี่ยพูดยังไงเออท่านทําอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าทำอีกนะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็พูดตรงตไปเลยอันนี้พอผู้น้อยเพื่อเข้ามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาจะไปพูดอ้อมค้อมไม่ได้ต้องพูดตรงๆให้เข้าใจเพราะเป็นผู้เข้ามาศึกษาแต่ผู้ใหญ่ท่านได้รับเรียนรู้ไปแล้วเพียงแต่ท่านพลังเผล เป็นบางครั้งบางคราวอันนี้เราต้องว่ากล่าวต้องมีกิริยามนรษยญาตถ้ากว่าว่ากล่ า, าวโดยตรงไปเลยโดยไม่มีความเคารพยำเกรงปรับบัตรทุกกฎนะขาดความเคารพอันนี้คือพระวินัยท่านสอนละเอียดทีท้วนมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องพระสงฆ์นี่ท่านอยู่ด้วยกันท่านก็ยังมีการว่ากล่าวตักเตือนมีการประวรณาต่อกันหลวงพ่อก็เลยบอกเออท่าขาวว่าคณะศรัทธาญาติโยม จะเป็นสำนักงานหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือว่ า, าบริษัททางร้านหรือว่าครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันถ้าว่ามีการประวัตนาต่อกันหลวงพ่อว่าคงจะเป็นการดีเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่จะมีความถูกทุกคนผิดทุกคนไม่ใช่บางครั้งก็มีผิดมีถูกด้วยกันได้ทั้งนั้น ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกที่อยู่ด้วยกันลูกจะพายลูกเขยมีผิดด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ลดทิฏฐิมานะของ ต, อ น, เองตอนเองลงวันไหนบอกกาวเออผมเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้ามีอะไรถ้าว่าลูกแม่บา้านทุกคนลูกทุกคนเห็นพ่อกระทาออกไปที่มันไม่ดีนะ ก็ว่ากล่าวตักเตือนเอแนะนําผมได้นะอทั้งแม่บ้านก็เหมือนกันเอะบอกกล่าวทั้งลูกทั้งแม่บ้านมีอะไรก็ บ, บอกกล่าวฉันได้นะทางลูกก็เหมือนกันพ่อแม่เห็นอะไรที่ผมทําไม่ถูกต้องก็ บ, บอกกล่าวผมได้นะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าว่าพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวว่ากล่าวตักเตือนกันมันก็เป็นผลดีเอส่วนหนึ่ง เป็นพน้นดียอย่างมากตรงพอวาดหรือในสํานักงานของพวกเราก็เหมือนกันจะเป็นครูใหญ่ครูน้อยตลอดถึงพานโรงมาด้วย ก, นวกานหรืออ้าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทํำของผมที่ไม่ถูกต้องกระ บ, บอกผมนะจะได้สํารวมระวังแล้วกัครูทุกคนประวัลนาต่อกันหรือสํานักงานไหนก็าตามมีการประวัลนาต่อกัน หลวงพ่อว่าคงจะเป็นผลดีสำหรับการอยู่ร่วมกันถ้าว่าต่างคนก็ต่างอยู่มีแต่ทิฏฐิคือความเห็นทุกคนก็ต้องมีความเห็นนะะั่นแหะแต่มานะคือความแข็งกระด้างความแข็งกระด้างถ้าแข็งกระด้างในหลักเหตุผลเห็นแข็งแข็งกระด้างในหลักเหตุหลักผลในการถูกต้องมันก็ดีถ้าว่าอ่อนปวกเปียกไปหมดทุกอย่าง ไม่เป็นตัวของตัวมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแต่ว่าแข็งกล้าวไม่รู้ไม่มีเหตุไม่มีผลมันอย่างนั้นก็มาใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกคนมีความเห็นความเห็นก็ต้องมีแต่ว่าเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็มีเห็นสองเหมือนกันเห็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอันนี้มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้อง แล้วถูกต้องและเห็นผิดนั้นจะเอาเอะไรมาแยกไงก็ท่านก็ต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแยกถ้าการเป็นอยู่นั้นเอาศินห้ามาเป็นบรรทัดฐานเอามาเป็นหลักสําหรับเป็นเป็นหลักเป็นแนวทางและเป็นแนวทางดําเนินถ้าใครมีผิดศินห้าแปลว่าการอยู่ด้วยกัน อันนั้นคือผิดเพราะว่ากฎหมายมันก็ยาวเพราะสมัยก่อนกฎหมายแต่ละประเทศมันก็มีแต่ว่าศีลและธรรมเนี่ยศีลห้ามมันละเอียดกว่ามันละเอียดกว่ากฎหมายเพราะมันตัดโคนตัดเง่าของเรื่องความผิดทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราคิดคิดดูสิจะเป็นปาณาติปาตาเวรมณีเรื่องจัตตราอาวุธทั้งหลายทั้งปวง เราทำมาเพื่ออะไรทำมาเพื่อฆ่าคนถ้าว่าเราไม่คิดจะฆ่าแล้วจะทำทำไมนะมันตัดรากตัดโคนของความชั่วหรือว่าตัดรากของตัดโคนของความผิดทัทงหลายท้งปวงเพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้านะั้เป็นสิ น, นตัดรากเง่าของกิเลสหยาบส่วนหยาบคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสิน อันนี้ก็คือศินของครวญญาติโยมและก็สินแปดเป็นศินขัดเกลากิเลสส่วนละเอียดเข้าไปคือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายนะพูดง่ายๆ่าคือว่าเราไม่คิดออกนอกหลุมนอกทางทำออกนอกหลูมนอ ก, นอกทางอันนี้ก็คือศินแปเป็นเครื่องศินขัดเกลว์ถ้าว่าสินมากกว่านั้นก็คือศินสมณเณรคือสิ น, ส, นสิบเพิ่มชาตรูพระราชตะ เรื่องเงินเรื่องทองอย่าไปยุ่งเรื่องเงินลงทองเพราะว่าเป็นพระเป็นเนนอยู่ในป่ารงพงไพรถ้ามีเงินมีทองอยู่ด้วยก็เป็นพิษเป็นภัยเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มีอันนี้ก็คือศินสมณีแล้วก็สินของพระคือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้เรื่องการเป็นอยู่ของพระสงฆ์พระสงฆ์อยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้มักน้อยสัตว่วน ทอเรื่องกิเลส เ, เรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญมันอยู่ในนั้นถ้าเราศึกษาดูแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากทีเดียวเรื่องศีลของพระพระสองยเจดนี่นี่แหละอันนี้ถ้าว่าเรารักษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ก็เป็นการสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาสิน อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่มากมายมากขนาดไหนในครั้งพุทธกาลพระเป็นหมื่นเป็นแสนท่านก็อยู่ด้วยกันได้เพราะอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเพราะมีศีลเป็นเครื่องปกครององค์ไหนทำผิดแล้วก็ไม่ทำอีกเพราะต่างคนต่างศึกษารู้แล้วว่าอันนี้คือพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วไม่ทาเหมือนกับพวกเราที่เคารพกฎหมายบ้านเมือง ถ้ามีกฎหมายบ้านเมืองเรารู้แล้วถ้าทำขืนทำลงไปก็มันก็ต้องติดคุกติดตลางเข้าไปอยู่ในเรือนจำอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำเข้าไปก็แสดงว่าเราไม่เคารพกฎหมายเราไม่ใช่พลเมืองที่ดีถ้าพลเมืองที่ดีถ้ามีกฎหมายขึ้นมาเราก็ต้องเคารพ น, นี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราเป็นผู้มีศิน เขาเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าสากยบุตรเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีศีลมีวินัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักษาศีลรักษาศีลและวินัยพวกท่านมีศีลและวินัยคุ้มครองด้วย ร, รักษาศีลครพในศีลและวินัยอยู่ศาสนาของตถาคตก็ยืนยาวไปตลอด แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ครบไม่มีศีลซะไม่มีวินยัยไม่มีศีลในวันนี้าศาสนาของตถาคตก็จบลงเพียงวันนี้เพราะว่านั้นมันอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายจะเคารพในศีลและวินยัยมากน้อยแค่ไหนนี่แหละคือาศาสนาของพระพุทธเจ้าจะยืนยาวนานเป็นพันปีหมื่นปีมันอยู่กับพวกผูก้นับถือพวกปฏิบัต ทศิลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาแต่ท่านก็วางไว้ว่าศาสนาของเราคือ 5,000 ันปีแต่พวกท่านทั้งหลายให้อันนี้ให้สังเกตแต่ถ้าว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าแต่ห0 0พปีเป็นหมื่นหมื่นปีก็ยังอยู่ได้อยู่กับผู้ปฏิบัติอันนี้เราวางไว้ สําหรับพวกท่านทั้งหลายให้สังเกตนี่แหละอันนี้คือศินและวิญัยศินสําหรับญาติโยมคือคือศินห้าที่หลวงพ่ออธิบายแล้วอธิบายอีกการเป็นอยู่ด้วยกันทางว่าพวกเราเป็นผู้มีศินอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในชนชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็มีแต่ความสงบเพราะว่าไว้เนื้อเชื่อใจกัน สรุปแล้ก็คือสินห้าที่หลวงพ่อสรุปลงมาแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปทำอย่างนั้นเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย่าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาจะจะเดือดร้อนต่างคนก็ต่างสำรวมระวังอย่าให้ไฟของเราไปไหม้คนอื่นอย่าไปปล่อยไฟของเราไปเผาคนอื่น ทุกคนก็ให้ระวังไฟของตนเองต่าคนทุกคนระวังไฟของตนเองต่างคนก็ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้คือสิ่งส่วนสมาธินี่คือแนวความคิดในหลักความคิดในทางพระพุทธศาสนาแนวความคิดความนึกคิดในใจคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิ นี่เนี่หลักใหญ่ใชนีหมพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าถึงหกปีเนี่ยไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจเนี่ยนะทใช่ไห่พระทัานวานแต่เรื่องของกายนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องของใจเนี่ยเนี่ยตัวเม็ดพันธุ์ที่จะนําไปเกิดในภพภูมิต่างๆมันเรื่องของใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าใจของเราคิดไปในทางที่ดีการกระทําก็ไปในทางที่ดีถ้าใจของเราคิดไปในทางชั่วการกระทําของเราก็ไปทางชั่วถ้าใจของเราคิดดีพูดออกไปมันก็เป็นเรื่องดีทางเราใจของเราคิดชั่วโมโหแล้วก็ปล่อยคําพูดออกไปคําพูดนั้นก็โดยมากจะเป็นเป็นคําพูดที่ด่าคนบ้างดูถูกเหยียดยั้ง ประสุดแท้แต่เพราะใจของเรามันมันโมโหมันโกรธมันอิจฉามันไม่พอใจอยู่แล้วมันปลอดปล่อยออกทางวาจาวาจาที่ออกไปนะั่นแหละมันไม่ถูกต้องมันเป็นการกระทบกระเทือนคนอื่นเขาเนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของใหญ่ของพระพุทธศาสนาคือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นให้จะทํำยังไงจึงจะมีเครื่องควบคุม มีสิ่งที่มาควบคุมใจของตนเองมาดูใจของตนเองมาควบคุมใจของตนเองนอกจากสมาธิแล้วไม่มีเพะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านอกจากสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวถ้าหากว่าขาดสติสัมปะชัญญะแล้วเป็นไปได้ทั้งนั้นเมื่อคนไม่มีสติคิดออกมาแล้วฆ่าใครก็ได้ ด่าใครก็ได้ทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะเหตุใดเพราะขาดสติเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะอยู่ในใจของเราเราจะคิดยังไงถ้าเราทำลงไปนยะมันจะเสียหายนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะอย่างนี้อันนี้คือมีสติเมื่อมีสติยับยัง้งการที่จะพูดจะทาอะไรออกไปก็ไม่ ทำให้คนอื่นร้อนร้อนเสียหายเพราะใดเพราะสติของเราสัมปชัญญะของเราควบคุมใจของเราอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆหมุ่งเรานะเพราะนั้นต้องคิดดูให้ดีท่าว่าในขณะที่ทําตัวเองก็ไม่ได้คิดนูน่นจนมีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นนะ เดือดร้อนวุ่นวายทั้งครอบครัวแก้ไม่ตกทีนี้ทุกข์ละทีนี้เพราะเหตุไรเพราะตัวเองในขณะที่ทําือคิดว่าตัวเองฉลาดรอบคอบใครไม่รู้ไม่เห็นแต่ที่แท้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกความลับไม่มีในโลกทําไมจะว่าความลับไม่มีในโลกเรานั่นะเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าใครไม่เห็นตัวของเราเห็น เราเป็นใครเราเป็นมนุษย์นั่นแหละตัวของเราเนีเห็นอยู่ว่าเราทําอะไรเพราะพระเดชจ้าจึงตรัสไว้ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะนั้นตัวเองเห็นอยู่ความลับเพราะนั้นอย่าทําก็รู้อยู่แล้วว่าทําไปแล้วมันผิดทําไปแล้วมันไม่ถูกต้องออย่างพวกเราท่านทั้งหลายมันผิดกฎหมายก็รู้จะมันผิดกฎหมายเราไปทําทําไมถ้าไปทําเข้าไปนะั่นเนี่เมื่อเขา จับไม้ใส่โทษเข้าไปแล้วมันเดือดร้อนไข่เดือดร้อนตนเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนญาติพี่น้องเดือดร้อนไปทุกหัวละแหง่งในครอบครัวของเราเสียหมดเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเรานะสรุปแล้วก็ให้เป็นคนดีแล้วก็พร้อมกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมที่มาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้ละ เราเข้ามาศึกษาเรื่องจิตภาวนาหลวงพ่อจะสอนเรื่องภาวนาแต่เรื่องศีลเรื่องกฎระเบียบนั้นหลวงพ่อก็แนะนำสั่งสอนอย่างที่ได้ยินได้ฟังยกประเด็นศีลหนะ้าเน้อเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับพวกเราฆราวาสญาติโยมอย่าไปทาถ้าทำเกนไปแล้วตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเพราะนั้น อย่าอย่าทำแต่พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเคยพูดและเคยกล่าวว่าสินห้าเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะรักษาแต่ว่าเราต้องการผลผลของสินห้านะใครใครก็ต้องการแต่ว่าเหตุเนี่ไม่ใครก็ไม่อยากจะรักษาแต่อยากจะให้คนอื่นรักษาอยากจะให้คนอื่นมีสินห้าแต่ตัวเองไม่อยากจะมี เนี่ยต่างคนก็ต่างโยนให้คนอื่นแต่ตามไม่จริงคนอื่นเขารักษาเขาก็คุ้มครองของเขาแต่ตัวเองน่ยไปเบียดเบียนเขาถึงนี่แหละเพราะคนไม่มีศิลเพราะฉะนั้นท่านจะว่าถ้าเป็นไปได้ให้ทุกคนเป็นผู้มีศิลมีศินสัมรวมกายวาจาทุกคนถึงจะอยู่มากน้อยมากไม่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแส น, 100, น 100, ก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุก นี่แหละคือศีลเรื่องสมาธิให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านสอนลูกศิษยานุศิษย์ของท่านแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าน่ยท่านวางไว้ทั้งสี่สอย่างแต่ว่ากรรมาฐาน40สหลวงปู่มั่นท่านเอามาเพียงอันเดียวท่านบอกว่าเอากรรมาฐาน กำหนดลมหายใจอาณาปานสติเนอแล้วก็ บ, บ ร, กรรมพุทโธพร้อมพร้อมกับพุทโธถ้าว่ามีแต่อาณาปานสติกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆมันสั้นเกินไปมันหลุดได้ง่ายมันหายได้เร็วพอมันมันลืมหลงได้ง่ายเพราะนั่นให้บร ร, รมด้วย หายใจเข้าพดหายใจออกโทนี่แหละอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิอนุสิ์ของท่านครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็นํำทำกรร ม, มฐานเนี่ยให้มาแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ภาวนาพดโทนเะนี่ยหลวงพ่อก็ได้รับคําสอนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ได้นำํำทำ ที่ท่านได้รับสัมผัสมาบอกเก่าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาอีกแต่ว่าใครจะภาวนาอย่างไรแต่นี่คือเป็นหลักสอนเป็นหลักไว้ก่อนแต่พวกเราอภาวนากําหนดภาวนาพุทโธแล้วมันมันไม่ค่อยอยู่ทาบริกรรมว่าตายตายอย่างนี้มันดีกว่ามันจิตใจมันมันอยู่นเน่งกว่า อันนั้นก็แปลว่าการบริกรรมอย่างนั้นมันถูกกับจิติตของเราเดี๋ยว่ามรณะนุสติและลึกถึงความตายอันนั้นก็ได้เหมือนกันจะงหว่ากรมฐาน4ี่สิบแต่หลวงปู่ครูบายจาาเนีท่านให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละอันนี้เขาขอให้พวกเราคณะธาญาติโยมลูกหลานทุกค น, นึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบายจย์หลวงปู่ลงตาที่ท่านแนะนาสั่งสอน เมื่อจิตรวมสงบเป็นพื้นฐานจิตใจรวมนิ่งก่อนที่จะรวมสงบนะไม่ใช่ว่าจะรวมแบบฟุกๆกไม่ใช่นะเออใช่ผู้รวมแบบฟุกๆุก็มีอยู่ไม่ใช่จะไม่มีมีอยู่แต่เป็นบุญวาสนาบา ร, รมีของเขาแต่ก่อนพบก่อนชาติก่อนคนเราบา ร, รมีไม่เหมือนกันบางคนก็เคยสังสมบา ร, รมีเคยเป็นชื่อหรือสีชีภัย ลงมาจากสวนสั้นพรมเคยภาวนามาก่อนจากนี้จะทามาขอมานั่งภาวนานั่นก็ยังมันก็ได้แต่ถา้าบางคนก็มันเคยปรุงฟุ้งซ่านมาก่อนแล้วแล้วก็มาเกิดพบนิชตินี้อันนี้เราจะภาวนาอะไรเราก็ต้องใช้กฎบังคับพอสมควรแต่เคยอุปนิสัยพบก่อนชาติก่อน เคยภาวนาเป็นลือชีชีภัยก็เถอะแต่พอมาเกิดมาพบนิชาตินนิกิเลสมันบดบังเหมือนกับก้อนเมฆก้อนหมอกทีนั่นอ่ะมันปิดบังแสงพระอาทิตย์มันก็มืดมัวไปอีกเหมือนกันจนกว่าผู้ได้รับแสงสว่างไปรับการแนะนําจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เหมือนกับลมหรวดสิ่งที่กวาดเมฆหมอกออก แสงสว่างมันก็ะเจาขึ้นมาได้นี่นี่ลกยกตัวอย่างอย่างพระพาหิยะอย่างนั้นแหละท่านไปภาวนาอยู่บนยอดเขานั่งภาวนาจะเอาพ้นทุกในชาตินั้นแตทั้งสององค์เป็นพระหันเป็นพระอนาคามีแต่ตัวเองก็ไม่ได้สำเร็จตายบนยอดเขาพอมาเกิดพบนิชาตินี้กันนั้นไปเป็นพ่อค้าเรือจากนั้นก็ยังหลงผิดอีกต่างหาก ถ้าไมา่ได้คำแนะนำจากหมูเพื่อนก็คงจะถลํมไปลึกพอสมควรแต่นี่ท่านได้แนะนำจากหมูพวกเพื่อนที่เป็นสหธรรมิกในอดีตชาติที่เป็นพรมตรงมาเตือนท่านก็ซํานึกได้ตั้งตัวได้จากเนั้นก็ได้มาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราสั่งสมบา ร, รมีมาแล้ว อย่างพบนี้ชาตินี้ละ่ะที่พวกเรานั่งภาวนารักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนามันไม่ไปไหนนะมันอยู่ในจิตในใจของพวกเรามันติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราภาวนาเนี่ยจิตใจของเราก็มันบุญกุศลเก่าแก่ที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจของพวกเรามันก็จะให้ผลโผล่ออกมาเหมือนกับต้นไม้ พวกเราเคยเห็นไหมต้นไม้แต่และต้นมันไม่มีดอกไม่มีผลมันก็เหมือนกับต้นไม้ธรรมดาแต่วันดีคือดีมันถึงฤดูการมันมันก็ผิดผิดดอกออกผลออกมาพวกเราเคยเห็นต้นมะม่วงต้นลำไยต้นไม้ต่างๆดอกไม้ก็เป็นดอกออกมาให้เราเห็นแต่อยู่ธรรมดามันก็ไม่มีอะไรนี่ก็เหมือนกัน พวกเราท่านทางหลายบำเพ็ญสังสมคุณงามความดีมันก็อยู่ในจิตในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าถึงคราวที่จะแสดงผิดผิดดอกออกผลมันก็จะผิดผิดดอกออกผลให้แก่พวกเราอย่างพวกเราในสงแห่งการทําบุญทําทานในอดีตชาติหรือทําบุญไว้ดีแล้วก็อยู่ในใจของเราแต่วันดีคืนดีทําอะไรมันก็เป็นส่วนเกินออกมาได้ทั้งนั้น ทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขมีแต่ความร่ำรวยจติตปัญญาของเราก็เสียแปมเพราะบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้ดีแล้วมันผลิตดอกออกผลขึ้นมาแต่ถ้าเราทำบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเราทาบาปก็ฝังไว้ในจิตในใจอีกเหมือนกันวันดีคืนดีมันก็ผลิตออกมาอีกไปในทางบาปอกุศล มีแต่ความชั่วเสียหายทำอะไรกันขาดตกตกตกลนลนเพราะบาปอกุศลให้จะให้ให้ผลมันได้ทั้งมันได้ทั้งสองอย่างมันผลิตทั้งดีมันผลิต ท, ท, ทั้งชั่วทั้งชั่วเพราะการกระทาของเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่ทำกรรมดีอย่างเดียวมีกรรมทีทำกรรมชั่วด้วยเมื่อกรรมชั่วนะให้ผลมันผลิตไปทางเสียหายตกทุกข์ได้ยากลําบากเข็นใจถทาบุญกุศลผลิตไปในทาง คุณงามความดีไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุขเพราะนั้นในหลักของประทรนคาสอนหลวงพ่อยกแล้วยกอีกกรรมชั่วจะทำเสียดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังคนที่ทำกรรมชั่วนันตัวเองเมื่อทำไปแล้วกมผพูดได้เอ๋อคนอื่นเขาทำกรรมดีทำไหมกเขาไม่เห็นได้ดี ข้าเนี่ยทำมดทุกอย่างไม่เห็นมีอะไรเกเหมือนเขาเขากิ น, น ย, ยาสารถุงหรือสเตติ น, น, เนยเข้าไปในท้องแล้วว่ากินยาฆ่ามดฆ่ายาอย่างนั้นเนี่ยกินกายายายาฆ่าแมลงอย่างนั้นเนี่ยเข้าไปเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเขาว่ากินยานี่ยเข้าไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยนะผมกินไม่เห็นมีอะไร เ, เพราะเหอะไรเพราะในช่วงนั้นยาพิษมันยังไม่ให้ผล มันก็คุยได้แต่เมื่อยาพิษให้ผลเท่านั้นแหละทั้งอาเจียนทั้งตาลีตะเดลือกที่หนผลที่สุดก็นั่นแหะถึงข่าวตายไปนี่ก็เหมือนกันในขณะที่ทำกรรมชั่วตัวเองก็คุยได้เพราะกรรมชั่วมันยังไม่ให้ผลเนีเห็นไหมข้าไปเจ้าไปขโมยไปคดไปโกงเข้ามาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรสูญเจ้ามีแต่จนๆนพออีกสักวันหนึ่ง พอเขาจับได้ไล่ทันเท่านั้นน่ะตัวเองหน้าม้อยทนี่เขาใส่กองแขนเข้าไปมองหน้าคนก็ไม่ได้ก้มหน้าทำไมถ้าตัวเองทําชั่วก็ต้องยืดรับสิเอ้่านี่ยทชั่วจริงๆวะเนี่ยก็ต้องยืดหน้ารับสิเป็นไรไปเพราะตัวเองทำํำขณะที่ทําเรายังพอใจทําทำมันกรรมชั่วออกมาแล้วจะไป ผมหน้าทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมขณะที่ทำมันก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะจับตัวเองไม่ได้เหมือนกับกินยาพิษเนี่ยะขณะที่กินเข้าไปคุยได้เพราะเหตุไรเพราะยาพิษยังไม่ให้ผลในเมื่อยาพิษให้ผลเมื่อไรเราเราตัวเองน่ะเดือดร้อนทันขึ้นมาแล้วน่ะป่วยนั้นพวกเราทันทั้งหลายคณะจัทตาญาติโยมลูกหลานทุกคนน่ะ ที่จะยินเสียงหลวงพ่อเราพวกเราท่นทานทั้งหลายนัิดคิ ด, พ, ด, คดพิจารณาดูสิจริงไหมหลวงพ่อเอาคําจริงออกมาพูดนะวรรณกรรมชั่วจะทําเสียเลดีกว่าถ้าทํากรรมชั่วแล้วตัวเองจะเดือดร้อนอันนีนะ้สรุปแล้วคือพูดทั้งมายาวมาถึงจุดนี้นะล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของศีล น, นะ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเน่ส่วนสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาภาวานาเนอร์กำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทงเมื่อจิตใจร่วมสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางร่างกายตรวจเดินวิปัสนาวิปัสนาพิจารณาร่างกายเกษาผมโลมาขน อย่างที่พวกเราท่องบนสาธยายอาการ32เมื่อกี้เนี่ยแอบตับเอ็นปอดเอ็นกระดูกเ่ยที่พวกเราไล่กัน น, นั่นแหละอันนี้ว่าสาธยายอาการ32ในร่างกายของเรามันมีอย่างนั้นจริงไหมจริงแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายเนี่จะต้องถึงจุดจบใช่ไหมคือสรุปแล้วก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาตามความเป็นจริง อย่าลุ่มหลงมัวเมาว่าร่างกายสังขารของเราเนะ่ยร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบแต่ว่าถึงจุดจบแล้วก็เถอะมันจุดจบจะร่างกายใจอยู่ข้างในนะ่ยคือตัวผู้รู้สึกนึกคิดนะ่ยตัวนั้นแหละไม่ตายตัวนั้นไม่มีป่าช้าแต่ร่างกายในมีป่าช้ามีฝังมีเผาได้แต่ใจคือนามธรรมนั่นอะ มันตายไม่เป็นตัวนะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆสุดแท้บบาปกรรมจะพาไปถ้าเราทำกรรมชั่วไปตกนรกมาเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ระชนเป็นคนหูหนวกตาบอดมากมายหลายหลายอย่างคนกรรมกรรมชั่วให้ผลแต่กรรมดีให้ผลก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำแต่กรรมดีนะ้ อย่าไปทำคำชั่วถ้าทำคำชั่วแล้วคำชั่วให้ผลจะเดือดร้อนนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะท า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีความสุขความเจริญก็จะเกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายการกล่าวสมมติธนิยะคถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนาฏรายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยบุญบรารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกบุญบรารมีของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาอดีตจนถึงปัจจุบันขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถิด